ลองเดินวนรอบเสาสักห้านาทีแม้ไม่มีใครทักว่าคุณเป็นบ้าคุณก็ต้องรู้ตัวเบือ่อแทบบ้าขึ้นมาเองแต่ที่แท้พฤติกรรมเดินรอบเสานั่นแหละที่แอบเกิดขึ้นในสมองคนจำนวนมากคนที่มีชีวิตแย่ๆเริ่มชีวิตวันใหม่ด้วยอารมณ์เคยชินอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยึดไว้ให้คิดวน มีภาพรวมของชีวิตที่ไม่ใช่แค่ย้ำอยู่กับที่แต่นับปีจะยิ่งรู้สึกเหมือนถอยหลังเข้าคลองส่วนคนที่มีชีวิตดีๆตื่นเช้ามาด้วยพฤติกรรมเดิมคือหาทางเพิ่มเติมสิ่งต่อยอดใหม่ๆผลักดันให้คิดก้าวไปข้างหน้าต่อมีภาพรวมของชีวิตที่เดินไปได้ไกล ไม่มีใครพบเป้าใหญ่ประดับชีวิตได้ด้วยการเดินวนรอบเสาเขาต้องออกเดินเป็นเส้นตรงก่อนพอเดินไปเรื่อยๆถึงจะเ จ, เจอป้ายบอกใบ้และมาเก็บสะสมป้ายบอกใบ้ไว้มากพอถึงค่อยรวมตัวกันชี้เป้าใหญ่ในที่สุดเลิกเดินวนรอบเสาเดินวนรอบเสา เริ่มจากการแกว่งสมองหาเสี้ยนมาตาตัวเองหาเรื่องคนอื่นมาวิจารณ์ทุ่มเทพลังงานไปกับการหาเครื่องยืนยันว่าโลกนี้มีแต่แง่ร้ายให้มองไม่มีใครดีมีแต่ชั่วหมดวันไหนหาเรื่องร้ายของคนอื่นมาบ่นไม่ได้ก็จะหาเรื่องน่าเสียดายของตัวเองมาฟุ้งซ่านแทนย้อนนึกเจียใจตัวเองที่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทา ย้อนนึกไประลึกถึงความสวยต่างๆนานาสารพัดเผาอารมณ์สุขงอมได้ที่ก็จากใครบางคนมาดา่าด่าด า, ดาพอได้สติบ้างพยายามมองตรงไปข้างหน้าก็เจอแต่เมฆหมอกหนาทึบไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความไม่มีอนาคตของตัวเองเดินตรงออกจากเสา เริ่มจากการเตื่นขึ้นมาเปิดทีวีดูข่าวความเคลื่อนไหวดีๆ ด, ดูคลิปที่ช่วยต่อยอดความรู้ของตัวเองคุยกับคนที่ช่วยให้นึกอยากเป็นให้ได้เหมือนเขาระหว่างวันก็คอยระวังมีสติสังเกตตัวเองอยู่ว่านี่กำลังจดจ่ออยู่กับอะไรที่แตกกิ่งก้านสาขาความคิดหรือกำลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรที่บีบความคิดให้คับแคบ มีอดีตเพื่อเป็นบรนไดให้อนาคตหรือเผาอนาคตด้วยการเอาแต่กนดาอาดีตจะเดินวนหรือออกเดินตรงไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่เรื่องเคราะห์ซ้ำหรือกรรมเก่าซัดแต่ด้วยความสร้างความเคยชินให้ตัวเองทุกวันคนเดินตรงจะรู้ตัวว่าจิตใจเป็นปกติได้เรื่อยๆ เราไม่เคยเห็นตัวเองเดินวนรอบเสาส่วนคนเดินวนจะรู้สึกว่าจิตใจผิดปกติขึ้นทุกวันกี่วันก็เห็นแต่เสาเดิมที่ไม่มีใครสักคนมาช่วยตนถอนทิ้ง